จะมาพักหรือเปล่ า, ามาปฏิบัติสิบวันแลคะ ว, วันนี้จะกลับ อ, อ๋อมาอยู่สิบวันแล้วเลยอ๋ออยู่ที่ป่าไมา้นี่เลยดีไหมได้ประโยชน์ไหมไอลองเล่าประโยชน์ที่ได้รับให้ฟังหน่อยเลยกาวัดประจาวันก็จะเหมือนเือกัน จงกรงน่าสมาธิค่ะก็จะสลับวีนไปได้แต่ตีสี่จนถนึงนนะประมาณสามทุ่มค่ะก็จะสลับกันแล้วก็ทานอาหารมือม้องนงตอนประมาณสิบเอดโมงค่ะ เบื่อเลยก็สิบวันจะมีประมาณวันที่สองสามก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึว่าสูญฝืนหน่อยอพอหลังวันที่สามขึ้นไปก็รู้สึกสบายรู้สึกว่าอยากอยู่ไปเรื่อยอ่าแล้วไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลย ไม่เปิดนะไม่เปิดอ่าไม่เปิดให้แผดฟังวง อ, อาจารตอนบ่ายสอง อ, อ่สัญญาณดีนะสัญญาณดีอ่าก็ฟังธรรมก็มีประโยชน์ ไปปฏิบัติอย่างนี้มาขอนหรือ่าอยู่คนเดียวสิบวั น, นปฏิบัติมาเรื่อยๆไปปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่บ้านทุกวันที่บ้านนะที่บ้านอยู่คนเดียว แล้วช่วงที่มานี่มีใครทําหน้าที่แทนให้ก็จะฝากน้องน้องชายค่ ะ, ะช่วดีอวอืมแล้วก็จะมีน้ำใจค่ะช่วยดูยให้ตอนที่เราอืมเด็กด้วยมีคนเข้าว่ามีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงดูก็เลยไม่มีเวลามาปฏิบัตินี้ก็ไม่เป็นความจริงเห็น ะ, ะไม่ค่ะจริงๆอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้ดีค่ะอ่ะ ในความรู้สึกของตัวเองคือที่บ้านเป็นที่ที่เราปฏิบัติได้ดีค่ะแล้วเราไม่ต้องเดินทางเราไม่ต้องจัดสัมภาระอะไรต่างๆอืแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่เราก็สามารถจัดสรรเวลาในการที่จะเข้าไปดูแลด้วยใช่เราไม่ได้ดูแลทั้งวันทั้งคืนนะ่ะแล้วไม่ต้องดูแลแตลอดเลยค่ะเราเตรียมน้ำเตรียมอาหารเราก็มีสร้างคนดูแลเไว้ด้วย อายุมากก็ยัง83แล้วอ๋อไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะตอนนี้ อ, อยู่ที่เตียงอยู่ที่ห้องค่ะก็ ค, ะคุณพ่อก็จะรู้สึกว่าป่วยแล้วก็เหมือนกับไม่มีเงินอยู่ท่าร้านแล้วก็พยายามให้คุณพ่อทำบุญทุกเชา้าให้สมบัติทุกเช้าค่ะ คุณพ่อคนเดียวคุณแม่ไ ม, ไม่ไม่มีแล้วนะแต่ ย, ยัง ม, คมีคุณแม่ก็อยู่ค่ะคุณแม่ก็จะคุณแม่เห็นว่ามาปฏิบัติค่ะแต่ก่อนคุณแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องธรรมะเท่าไหร่แต่พอ่าเห็องละมาปฏิบัติไปบ่อยคุณแม่ก็เริ่มเริ่มดูว่ามาทําอะไรก็จะกลับไปก็จะถามว่ามาทําอะไรบ้างไปเล่าใังทุกวันนี้ก็ตอนเย็นๆก็จะ เฟซบุ๊กค่ะให้ท่านฟังทุกฟังตอนเย็นแล้วก่อนนอนมันทีท่านก็แก่แล้วชราแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับก็จะเอาธรรมะของพระอาจารย์สุช่ไปอ่านให้ท่านฟังก่อนนอนพออ่านจบท่านก็น อ, นอมก็สมญาจะอ่านใหฟังให้ฟังทุกๆฟังอนอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่ไห ม, อ, มอยู่ด้วยนะ ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรต่างคนต่างอยู่กันเรา ก, ก็มีเวลาของเราเราก็ไปปฏิบัติของเราจ ร, จริงก็ปฏิบัติที่ได้านทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราก็อยากมีเวลาที่คนเดียวห้ อ, องนอี้ปิดนี่ได้เพื่อที่จะได้เจริญสติดได้ทั้งวันอ่าม่อยู่กี่ครั้งแล้วเนี่ยท่านพัก ถามแล้วนะก็มีความมั่นใจในทางปฏิบัติก็มีความตั้งใจค่ะเขาแค่มีความเพียรม่เยอมีความมั่นใจว่าสามารถจะปฏิบ uh ัต huh. <okay like, um ิไปเรื่อยๆได้หมไม่ท oui> ิ้งก็นะไม่มีอะไรดีกว่าการปฏิบัตินะ ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากการปฏิบัติของเราเองเราปฏิบัติได้มีสติมีปัญญาเราจะมีพระคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรากราบไหว้กันนี้ก็คือสติปัญญาของพระพุทธเจ้านี่แหละพวกเราไม่มีเองเอถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเราจะไม่รู้คำว่าสติแปลว่าอะไร คำว่าปัญญาแปลว่าอะไรพระอาจารย์เปลูกเสด็จคนหนึ่งหมอมาพูดว่าเขาเจอสติแล้วเขาเข้าใจแล้วสติเป็นยังไงแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความมีความมั่นใจมีความแนว่วแนว่จิตใจเขารู้สึกหน้าตาเขาแจ่มใส เมื่อก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าสติเป็นอะไรรู้แต่ชื่อแต่ไม่เคยเจอตัวมันพอปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวพอจิตมันเป็นสติขึ้นมามันมันตั้งมั่นขึ้นมามันรู้โอ้นี่สติคือความตั้งมั่นของใจสมาธิอาศัยสติเป็นตัวประครับประคองให้ใจอยู่กับปัจจุบันใ ห, ให้ใจยินดีกับ สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นยินดีตามมีตามเกิดไม่ไปสายแสหนีความจริงพวกเราชอบสายแสหนีความจริงกันอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นอยู่ตรงนู้นก็อยากจะมาตรงนี้อยู่กับคนนั้นก็อยากจะไปอยู่คนนี้หนีความจริงอยู่เลยเพราะเจอความจริงที่ไม่ชอบหนีเบื่อ ถ้ามีสติแล้วไม่หนีมันมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ ส, สะทกสะทานกับความจริงมันเฉยเฉยกับความจริงมันมีความสุขกับความจริงเฉ่เฉยกายจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับเขา ไ, ได้อุเบกขานะลักษณะเป็นแบบว่าได้อุเบกขาแล้วจะเป็นอย่างนั้น ใจจะเฉยเฉยกับสถานที่กับเหตุการณ์กับบุคคลสถานที่จะร้อนจะเย็นจะหนาวก็อยู่กันมันไปเหตุการณ์จะวุ่นวายจะสงบก็อยู่กันมันไปคนจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อยู่กับเขาไปนี่ลักษณะของจิตที่มีสติมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีอุเบกขา อันนี้แบบไม่ต้องเข้าไปในสมาธินะมีสมาธิแบบอยู่ข้างนอกอยู่แบบตอนนี้อยู่แบบเดีย๋ยนี้อย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็เฉยอตุ๊กแกจะหล่นลงมาก็เฉยไม่กระโดดกันโพ้มผ่าบางที <c oughs> <c oughs> ตุ๊กแกมันหล่นลงมานี่สันดุงกระโจงอย่างนี้บางทีงูเขียวหล่นลงมา <c oughs> อออามอแสดงว่ามีสติเสียสติใช่ไหมลักษณะของคนเสียสติเป็น บ, บ้าบ้าบ้าแบบมันมีแบบมีหนักไม่เบามีมากมีน้อยบ้ามากบ้าน้อยอ นี่แหละประโยชน์ของสติมีความสำคัญมากพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสติเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดย่างเน้นให้เจริญสติตลอดเวลาให้เป็นสติสัมปชัญญะคือต่อเนื่องสติเราตอนนี้ยังแบบน้่มลกคุก ค, คานอยู่มีบ้างไม่มีบ้างมีแล้วก็เพอเพอลอยไปนู่นลอยไปนี่แสดงว่า ถ้าเป็นสัมปัตยัญญ า, านี่มันจะไม่ลอยมันจะอยู่กับที่สติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีทุกกรณีก็ทุกขณะทุกเวลาเมาื่อวานนี้ชาวมาเลเซียก็ก็มาถามว่าการมีสติอยู่ทุกขณะนี้สำคัญอย่างไรได้ประโยชน์อย่างไร ก็จะได้ใจที่ตั้งมั่นใจที่เป็นอุเบกขาใจที่ไม่ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ไม่เป็นจิ้งหรีดอ่ะพูดง่ายๆใจไม่เป็นจิ้งหรีดนะจิ้งหรีดนี่เพราะว่าใครเข้าอะไรมาอปั่นหัวหน่อยลองกรีดๆๆๆใครเล่นมสมัยเด็กๆ เ, เคยจับจิ้งหรีดมาแเราก็มาเอาเอ้ขนอะไรเนี่ยมา มันปันอยากจะลองฟังมันลองก็ไปปั่นที่หัวมันมันก็เก๊เก๊เก <ś> <ś> ๊ใจหัวเราก็เหมือนจิงหลีเนี่ยอะไรมากระทบหน่อยก็ไปแล้วรักละชังแล้วกลัวแล้วหลงแล้วยังไม่ทันได้ดูความจริงเลยใครเพียงแต่มาพูดแค่นั้นก็ไปแล้วเหมือนก็ตายตื่นตัง ไม่ใช้เวลาพิจารณาพิสู์ดูก่อนไม่ใช้หลักการละมุสุการละมุสุพรกเจ้าสอนไม่ให้เชื่อสิบประการด้วยกันไม่ให้เชื่อเพราะเขาล่อลือกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ให้เชื่อว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ให้เชื่อเพราะว่าเชื่อกันมาเชื่อตามกันมาปู่ย่าตายายเชื่อผีสางเทวดา ก็เชื่อกันตางกันมาไม่เชื่อทั้งหมดถ้ายังไม่ได้เห็นกับตาเองยังไม่ได้พิสูจน์แต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธคือบางอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นคนที่เขาเห็นเขาอาจจะเห็นก็ได้เป็นความจริงแต่เรายังไม่เห็นก็ไม่ให้ปฏิเสธอย่างพระเจ้าสอนว่าตายแล้วต้องมาเวียนวหา้ตายเกิดนี่ ไม่ให้เชื่อแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธให้พิสูจน์ให้พิสูจน์ให้ศึกษาให้ปฏิบัติแต่ฟังหูไว้หูฟังว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะพรพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์นี้เกิดจากการไม่มีสตินะเพราะเวลาไม่มีสติก็กิเลสก็ออกมาความอยากต่างๆก็ออกมา ออกมาแล้วมันก็วุ่นมันก็ทุกขึ้นมาอันนี้พิสูจน์ได้ของต่างๆอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมท่านบอกอย่าไปเชื่อแม้ท่านเป็นอาจารย์ของเราเหมือนองคุลิมานเชื่ออาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องไปฆ่าคนหนึ่งพันคนองคุลิมานก็เชื่อ ต้องไปพิสูจน์ว่าทําแล้วมันได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่านี่ขนาดทาไปแล้วยังไม่ยังไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าจนมันเจอพระพุทธเจ้าคนที่หนึ่งพันพระพเจ้ามาเบรกเลยเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเนี่ยองคุลิมาลถามว่าหยุดอะไรหยุดความโลภความโกรธ ค, ความหลง หยุดความอยากจะบรรลุหยุดจากความโกรธที่ไปฆ่าคนก็ได้สติขึ้นมาได้ปัญญาขึ้นมาลองทำตามพระุทธเจ้าดูมาฆ่ากิเลสดีกว่าฆ่าคนมาแล้วเก้าร้อยเก้าใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีอะไรวิเศษวิสวแปลกประหลาย พอมาฆ่าด้วยสติด้วยปัญญาโอ้ยใจนิพิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยใจที่วุ่นวายใจที่สับสนใจที่หิวโหวยกลายเป็นใจที่นิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขอย่างยิ่งอันนี้พิสูจน์คือการพิสูจน์พอเห็นกับตาแล้วทีนี้ใครจะมาว่ายัางไงก็ไม่มีวันที่จะมาลบล้างความจริงที่เราเห็นได้ ให้เชื่อความจริงให้เชื่อการการพิสูจน์ตยายังไม่เห็นก็อย่าพิ่งไปปฏิเสธแต่ก็อย่าพึ่งไปเชื่อหรือถ้าเชื่อก็เชื่อเพื่อที่จะไปพิสูจน์เท่านั้นเชื่อว่าอ่สิ่งนี้เขาพูดอาจจะเป็นจริงแต่เรายังไม่เห็นกับตาสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น จำไว้นะอย่าไปเชื่อใครง่ายๆยิ่งสมัยนี้เริ่มมีคนจะแอบอ้างเรารู้จักเราเป็นอะไรกับเราแล้วเดี๋ยวมาขอความช่วยเหลืออย่ามาโทษเราทีหลังนะถ้าไปเชื่อเขาเดี๋ยวก็มาขอความช่วยเหลือขอสิ่งนูน่นขอสิ่งนี้ขอยืมเงินขอนน่นขอนี่แล้วก็เห็นว่าเขามาวัดมาทำบุญก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนน่าเชื่อถือ แล้วก็ให้เขาไปแล้วพอเขาไม่คืนก็มาดาอาจารย์มาโทษอาจารย์เออลูกศิษย์อาจารย์มายืมเงินเราไม่ยอมคืนเงินให้อา้ามันอาจารย์ไม่รู้เรื่องแค่หน่อยในอะไรต้องออกมาพูดเพราะมันมีแล้วเนี่ยมีการอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแล้ยเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้อีหน่อยนี่กลายเป็นกลายเป็น อะไรเขาเรียกกลายเป็นจำเลยไปเนี่ยเพรา อ, อาจารย์เนี่ยถูกหลอกเนี่ยเพราะอาจารย์จริงโง่ถึ ง, ถ, งถูกหรอกไม่ไม่โทษตัวเองวโง่เัินอยู่ในมือในทางยังปล่อยให้เข้าไปได้ใช่ไห อ, อถ้าเราสั่งก็มันโทษเราได้นะเออถ้าอาจารย์บอกให้อไปให้เขายืมองนี้เอออนี้เราก็ยินดียอมเป็นจำเลยนี่เราไม่ได้พูดไม่ได้ทําอะไรไม่รู้เรื่องเลย อ่าไม่เกี่ยวข้องเลยแล้วพอไม่ได้เงินก็นมาดามาโวยวายเอออย่าพูดไม่อยากจะพูดเป็นใครอันนี้พูดเป็นเป็นทนางทฤษฎีเออ <laughs> ไม่อยากจะให้กระทบกระเทือนใครแต่อยากจะให้ปัญญาอยากให้ความรู้ว่าคนมาวัดนี่ไม่ใช่จะเป็นคนที่ เป็นคนใจบุญเสมอนะเป็นมารมาในคาบของนักบุญก็มีนะเราไม่รู้ว่าเขามานี่เขามาเพื่ออะไรบังทีเขาทำตัวแบบนักบุญแต่ใจบาปก็ได้พอเขาเห็นช่องทางเขาจะสามารถทำอะไรได้เขาก็อาจจะทำก็ได้ เพราะคนที่มาทำบุญนี่ก็เป็นคนมองคนในแง่ดีเชื่อว่าคนทุกคนเป็นคนใจบุญมาวัดกันมาทำบุญกันนั้นเวลาใครเขาพูดอะไรก็จะเชื่อเขาอันนี้แหละถึงต้องต้องมาพูดบ้างเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นจำเลยเดีย๋ยวรู้สึกตัว <c oughs> ใช้เหตุผลนะ ใช้ความรอบครอบอโบราณเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตายอันนี้ก็บอกให้รู้ก่อนสำหรับเราเร า, เราอยู่ของเรามาคนเดียวมาตลอดเราไม่มีปัญหาอะไรกับใครพอคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับเราแล้วมักจะไปมีปัญหากันด้วยกับคนอื่นแล้วก็มา มามาเอาเราเป็นจำเลย <Yeah. S 1> เพราะเขามาวัดเนี่ยเลยเชื่อเขาเพราะเขาเขาเป็นลูกสิธิ์หลวงพ่อก็เลยเชื่อเขาะ้อ <Yeah. S 1> <laughs> นนี้เราขอปลดตัวเองจากการเป็นจำเลยนะ <laughs> <laughs> ไม่รับผิดชอบ <laughs> ทุกกรณี <laughs> ใครทำอะไรนี่ดูว่า ตัวเองเป็นคนทามีใครเขาบังคับให้เราทำหรือเปล่ามีใครเขารับรองหรือเปลารับประกันหรือเปล่าเราบางทีเราเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแล้วก็มีความเมตตาสงสารเขามาขอความช่วยเหลือเขาเดือดร้อนก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขา เดี๋ยวเวลาใส่วัตถุเขาตีหัวไม่รู้สึกตัวก็เชื่อได้ในระดับหนึ่งนะแต่อย่าเชื่อแบบขาดทุนก็เลยถ้าเชื่อแล้วกำไรเชื่อถ้าเขาจะเอาเงินมาให้เราไปรับไว้ก็ได้ ถ้าเขาจะมาเอาเงินเราก็อย่าไปเชื่อะเราไม่เคยเรียกไลน์บอรจากของเงินใครนะงั้ในใครจะมาใช้ชื่อเราขอซื้อของต่างๆซื้ออะไรต่างๆนี่เราไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะแม้แต่เครื่องใช้ไม่สอยที่ใช้ในการเนี่ยถ่ายทอดสด น, นี่เราไม่รู้เรื่องเลยนะไม่เกี่ยวข้องเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้มาใครเป็นอะไรมาได้มาอย่างไรอันนี้เรา เราไม่ไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ได้บอกไม่ได้อะไรแต่ก็เชื่อบางอย่างมันก็ช่วยเหตุด้วยผลนันก็ ด, มกดีมันก็ได้ประโยชน์ได้ใช้เครื่องได้เครื่องไม้เครื่องมือมาถ่ายทอดมีคนมาเป็นเจ้าภาพจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือนค่าอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นมาอย่ามาว่าเราเลย เราไม่ได้เลยรนอกจากการกระทําต่างๆเหล่าออนี้เมื่อวานที่พระอาจารย์พูดถึงหินห้อยใช่ไหมคือหมายถึงอะไรคือหมายถึงนามขันเนี่ยนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าไม่เที่ยงคือไม่เที่ยงในลักษณะที่ว่ามันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยแต่มันไม่หายไปมันมีตลอดเวลา นามขันนี่มันอยู่กับจิตไงจิตเป็นของที่ไม่มีวันดับแต่นามขันนี่มันทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแสงเหง่อห้อยส่วนตัวเหง่อห้อยนี่เป็นเหมือนตัวจิตไงนามขันก็คือความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับใช่มเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้ แล้วก็จำเนื่องนั้นได้ลืมเนื่องนี้สแสดงว่ามันเกิดดับเกิดดับแบบนี้มันไม่เที่ยงเราอย่าไปเอาอะไรกับมันมากแต่เรามักจะไปหลงกับมันคิดว่ามันคิดอะไรแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอใครเขาพูดอะไรคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอรักเธอจนวันตายอีกสองวันลืมเราซะแนละ้ว นืสังขารความคิดปรุงแต่งไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่ตัวจิตนี่มันเป็นธาตรู้มันเป็นหนึ่งในธาตุหกธาตุทั้งหกนี่เป็นของที่ที่ไม่มีวันดับมันจะเป็นธาตรู้ไปเรื่อยๆธาตุดินก็จะเป็นธาตุดินไปเรื่อยๆธาตุน้ําก็เป็นธาตุน้ําไปเรื่อยๆ แต่มันสามารถเป็นรวมกันได้ถ้าดินน้ำนมไฟอากาศาธาตุถ้ามารวมกันก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆถ้ามีธาตุรู้มารวมด้วยก็เป็นสัตว์เป็นเลน้ลาฉันเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมนุษย์เรานี่เป็นเป็นการรวมตัวของาธาตุทั้งหกร่างกายเรามีธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟมีอากาศาธาตุคือ ช่องว่างช่องว่างในปากช่องว่างในกระเพาะอันนี้เขาเรียกว่ า, ามีอากาศาธาตุเนี่ยช่องว่างที่เราช่องว่างระหว่างเรากันนี่ก็เป็นอากาศาธาตุละอันนี้ก็เป็นธาตุดินอาจจะมีธาตุน้ําอยู่บ้างนิดหน่อยเดี๋ยวมันแห้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็พอไม่มีธาตุน้ําเหลืออยู่มันก็กลมันก็กลายเป็นธาตุดินไปเนี่ยของทุกอย่างในจักรวาลเนี่ย มีธาตุทั้งหกนี่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นปวัตถุดิบวัตถุดิบที่ก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในจั ก, กรวาลเนี่ยมาจากธาตุทั้งหกนี้ถ้าไม่มีธาตุรู้มาเกี่ยวข้องก็เป็นของที่ไม่มีวิญญาณต้นไม้ใบหญ้าภูเขาท้าวของต่างๆที่ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นธาตุทั้งนั้นมีธาตุดินมากบางทีก็ธาตุน้ามาก แล้วแต่ของถ้ามาอย่างนี้ธาตุน้ําเยอะธาตุดินน้อยถ้าของนี้ธาตุดินเยอะกว่ามันเป็นการรวมตัวของธาตุทั้งหมด้ถาปฏิบัติไปปเ็นสรทุกอารมณ์สุขอารมณ์อะไรพวกนั้นก็มีแต่ธาตุธาตุรู้อย่างเดียวคือถ้าอารมณ์อารมณ์คือถ้าความรู้สึกทางร่างกายนี้มันไม่ดับพระพุทธเจ้ายังหิวน้ําเนี่ย พระพุทธเคยบอกอานอน์เราหิวน้ำเธอไปหาน้ำมาเราดื่มหน่อย อ, นน อ, อันนั้นไม่ใช่ร่างกายความสุขทุกขทางร่างกายไม่ไมหมดจนกว่าร่างกายจะตายไปมันถึงจะหมดทางด้าน ค, าวความเสียใจความโกรธเกลียดแค้นใครมาทําร้ายเราเราโกรธเขาอันนี้ไม่มีกามราคะอารมณ์อะไรต่างๆไม่มี เห็นอะไรก็เห็นเป็นกระดูกเห็นโครงกระดูกอไม่ได้เห็นเป็นดาราภาพยนตร์เห็นตับไตไส้กรูงเห็นอาการ32ไปเห็นซากศพเดินได้เดี๋ยวเนี่ยพอไม่หายใจครับจะเป็นอะไรเนี่ยดยต่อให้ร่างกายขนาดไหนก็ไม่เอาละ ไปฝากไว้ที่วัดแล้วใช่ไหมแต่เราไม่เห็นกันมันไม่คิดกันเองชาบไป ค, คิดว่เเเาเขาไม่คิดบ่อยๆ <S <S ต้องคิดบ่อยๆ <S 2> <S 2> คิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นหได้ใหม่ <S <S มันจะมันส่วนใหญ่เราจะคิดว่ามันเป็นมันมันเป็นมันไม่ตายกันแล้วมันจะคิดอย่างนี้เนนี่ยต้องพยายามต้อง ่ตอนต้นเราไม่มีกำลังทางธรรมเลยเราต้องมาอาศัยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่เรือตอนนี้เราเป็นเรือที่ไม่มีเครื่องเครื่องของเรามันถูกกิเลสเรือของเราถูกกิเลสมันลากไปนี่เราก็ต้องมาหาธรรมะของพระเจ้าเพื่อให้ลากเรามาทางธรรมมาทามาทางความเป็นจริงไงด้ทวนกระแสไงทวนกระแสอ่า เขาหาตัวจิตเนี่ยตอนนี้ตัวจิตถูกเกลเอตหลอกให้ไปหารูปเสียงกลิ่นลหลอกให้ไปหาลาบโยชน์เสรสนอหาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็านั่นแหละมันเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่ไม่พระพุทธเจ้าขอย า, ยามค้นหาจุดเริ่มต้นก็หาไม่เจอมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเอ แล้วก็ดีใจเสยียใจบ้าไปก็มไีได้อะไรมาก็ดีอกดีใจยิ้งแต่ดูลูกฟุตบอลเข้าไปในตักขายนี่ก็โอ้โหตื่นเต้นกันทั้งประเทศเลยยิ่งถ <c oughs> ้าชิงแชมป์หน่อยนะโอ้คนบ้าไปทั้งประเทศเลย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้กี่ล้านคนก็บ้าหมดเอยบ้าทั้งนั้นแหละไม่บ้าแลอวก็เหมือนทำ ใช่ท่านไม่ถ้าไม่ท่าไม่เสพอารมณ์กับถ้าไม่เสพอารมณ์เหล่านี้ท่านเสพความสงบเสพความว่างที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ถ้าบอแต่ความสุขที่อารมณ์ต่างๆที่เราเสพเป็นความสุขชั่วคราวได้ได้ชนะปั๊บเดี๋ยววันสองวันก็ลืมไปแลเดี๋ยวก็มาเชียร์อย่างอื่นละเชียร์เรื่องอื่น่ะ ไม่ไม่กี่วันก่อนได้ชิงได้แชมป์มาคนหนึ่งใช่ไหมนักมวยโอ้ยก็ตื่นเต้นก็ไปใหญ่ตอนนี้เงียบหายไปล้วเดี๋ยวก็ไปลุ้นแชมป์ใหม่กันมันก็มีเรื่องให้ลุ้นอยู่เรื่อ ย, อยความอยากมันก็เป็นนี้ยกไอ๋อถ้าไม่มีไม่มีความออาฆาตพยาบาทไม่มีอะไรแล้วก็เป็นเป็นมันเป็นกีฬาไง มันเป็นการกีฬาถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์ไม่ไม่บาปเพราะคนที่ถูกต่อยเขาก็ยินดี <c oughs> เขาไม่ได้อาคาดพยายามบ่ า, บาถือโทษโกรธเคืองอะไรมันเป็นการแข่งขันแข่งแข่งความสามารถในการตอบสู้กันแต่ถ้าถึงกับสมัยโบราณที่เขาถึงกับฆ่ากันอันนี้ก็บาปล่ะ ทำลายชีวิตเขาแต่เพียงแต่ทำให้เจ็บบ้างปวดบ้างอะไรนี้แต่ถ้าเกิดทำให้เขาตายนี่ก็จะบาป<ม>ถึงแม้จะไม่มีเจตนา<ม>ก็บาปน้อยถ้ามีเจตนาก็บาปมากมทำให้เขาเสียชีวิตเหมือนกันการฆ่าสัตว์ มีคำวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะทั้งเฟซบุ๊ก320ค่ะบทางยูทูป54ครับมีคำถามไหมยังไม่มีเลยไม่มีเลยะนะพอยังไม่ได้เปิดมั้ <laughs> งส่วนใหญ่เขาจะรอให้ให้พรช่วงแรกก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายสามโมงโ ใครอยากจะถามว่าเข้ามาได้นะเพราะวันนี้คงยังไม่ได้เทศอะไรมาก ม, มีมีคนถามมาที่คุณมิยาถามในอินบ็อกเก่ยวกับเลขหนังรรสือนะฮะลบควรถามค่ะได้มีโอกาสอ่านหนังสือสันติธรรมจิมจะทำแจ ก, กส่วนใหญ่จะนำแจกแจกผู้ป่วยในโงรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถามไปที่โงรงพิมพ์แล้วให้ให้สามารถสั่งพิมได้จึงลบควณถามว่าต้องขอการจิมไปกับทางวัดอีกหรือเปล่าค่ะ หนังสืออะไรไม่ทราบเพราะธรมเราไม่มีเนี่ยหนังสือเราไม่มีมีถ้ามีแต่สติสติธรรมสติธรรมเล่มกิจสีเขียวเล็กๆนะคือถ้าเป็นหนังสือของเราก็ไม่ต้องขออนุญาตถ้าใครอยากจะพิมพ์แจกเป็นธรรมทานก็พิมพ์ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาตั้งก็ได้อไปแจกเลยอยากถ้าอยากจะไปแจกเองที่ไหนแจกงานศพเี่ย งานมันเกิดงานอะไรแจกเพื่อนแจกฝูงหรือ แ, แจกตามห้องสมุด ต, ต่างๆหรือตามเดือนจําต่างๆอะไรนี่ก็ทําได้เลยถ้าทําโดยที่ไม่ได้เอาผลประโยชน์ไม่ได้เอาไปขายไปทําประโยชน์จากหนังสือเหล่านี้ก็เอาไปแจกได้แต่ว่าอย่าไปดัดแปลงไปเปลี่ยนข้อความเป็นอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวคนอ่านเขา้าเขา เข้าใจผิดเราจะมาตำหนิเอ่อถ้าเป็นของที่พิมพ์ไว้อยู่แล้วทําพิมพ์ไปแจกต่อได้เลยเซีดีก็เหมือนกันซีดีก็อยากจะเอาไปเอาไปปั๊มเอาไปแจกต่อก็ทําได้เนี่ยหลวงตาท่านเป็นคนเริ่มธรรมเนียมนี้มาเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีใครก็ แจกหนังสือกันเทาไหรเนยหลวงตาเนี่ยท่านเป็นผู้เริ่มแจกหนังสือทำมาหนังสือเล่มแรกที่ท่านเขียนก็คือประวัติหลวงปู่มัน่นตอนต้นท่านก็มีลูกศิษย์ที่ เ, เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์เขาก็ขอเอาไปลงเป็นตอนตอนหลวงตาท่านเขียนไปเป็นตอนตอนส่งไปให้โรงพิมพ์ หลวงเปี่ยมหลวงตาแล้บอกเนี่ยท่านมาหัดพิมพ์ดี ต, ตอนเนี้ยท่านเมื่อก่อนพิมพ์ดีกไม่เป็นที่ไหนต้องส่งต้นฉบับไปให้หลวงพิมพนะ์ตั้งก็เลยมาหัดนั่งจิ้มพิมพ์ดีกแล้วก็เขียนประวัติของหลงปู่ม่านขึ้นมาเป็นเล่มแรกนะเป็นหนังสือที่ท่านเขียนก็ทยอยส่งไปเรื่อยๆจนพอจบเขาก็ขอเอาไปรวมเป็นพิมพ์เป็นเล่มขึ้นมาแล้วหลวงตาท่านก็เอามาแจก ที่วัดใครอยากได้เห็นหนังสือนี่เขียนจดหมายมาขอก็ท่านก็ส่งไปให้ส่งไปโดยที่ไม่เก็บค่าค่าค่าหนังสือหรือค่าส่งเขาส่งเงินมาให้ท่านก็ส่งเงินคืนไปท่านไม่รับท่านต้องการที่จะบูชาพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาของครูบาอาจารย์โดยการให้ธรรมธรรมทาน รู้สึกว่าเป็นที่เป็นคเป็นอาจารย์องคแรกบางที่ทําหนังสือแจกเมื่อก่อนได้เห็นมีหนังสือธรรมะแต่ขายอย่างนั้นมีของท่านเนี่ยที่ท่านแจกพอลูกศิษย์เห็นว่าท่านพิมพ์แจกพิมพ์แจกวันหลังก็เลยพิมพ์มาถวายท่านที่วัดแต่ก่อนมาตั้งที่วัดแจกกันใครอยากจะได้ก็เอาไปใครอยู่ที่บ้านอยากจะได้ก็เขียนมาก็ส่งไป มาอย่างคำถามมาแล้วคะ่ะถามเลยเ อ, อ่ะถามเลยคำ ถ, ถามจากคุณโอตตี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งหลวงตาบัวก่อนท่านานรนนั่ท่านได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าตอนนี้ท่านอยู่กายพระนิพพานแล้วพอท่านพูดจบท่านก็นอนนิ่งส ง, สงบอยู่นานก่อนลมจะดับคากายพระนิพพานแปลว่าอะไรครับเราไม่ได้อยู่ที่นั่นคำว่ า, าอะไรนะ กายพระนิพพานกายพระนิพพานกายสะกลอยังไงกออยโกายกายเป็นนิพพานกายกายพรานิพพานเราในอ่านคำทั้งหมดว่าท่านว่าอย่างไงนะเราเราเราใกล้ก่อนท่านมาแล้นะท่านได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าตอนนี้ท่านอยู่กายพระนิพพานแล้วอ่ามาถึงกายทิพไม่ก็กลาก็ต้องถามท่านนะเราเราไม่ป็่คนพูด ก็แสดงว่าจิตจิตท่านนิพพานแล้วแต่ท่านก็คงอย่าหมายข้าวม อ, อย่างนั้นคือจิตของท่านก็นิพพานตั้งแต่ท่านยังไม่ตา ย, ยแล้วจิตท่านเป็นนิพพานตั้งแต่วันที่ท่านบรรุธรรมเนี่ยวันวันที่เทไหร่พุทธสภาใช่ไหมที่ท่านเป็นวันที่ท่านได้บรรลุธรรมปีสองสี่เก้าเท่าไหร่เก้าสองยไงเก้าสอง ามพศภาเ น, นอ่ะเดือนพศภาจำได้ที่ที่ท่านเห็นความความสิ้นสุดของอวิชชาเนนะจิตเป็นนิพพานตั้งแต่วันนั้นและแต่ท่านคงหมายถึงคือนิพพานนี่มีมีสองลักษณะที่เรียกว่าอะไรน ะ, ะมีชื่อเป็นทางบาลีอะไรนิพพานเนะี่ยอ่ อะไร อ, าาอุปาดาดิเสสานิพานกับอุปาดิเสสานิพานเนี่ยกับอนุปาดิเสสานิพานคือจิตที่มีขันนี่เรียกว่าเป็นนิพานอย่างหนึ่งยังมีขันอยู่ยังมีร่างกายยังแต่จิตที่ไม่มีร่างกายแล้วอย่างจิตพระเจ้าพระ อ, อรหันต์ทั้งหลายที่ไม่มีร่างกายแล้วก็เป็นอุปาดิเสสานิพาน การขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นนิพพานอีกอย่างแต่จิตตัวจิตก็เป็นนิพพานเองแต่ยังยังเกี่ยวข้องกับตัวขันอยู่ยังใช้ขันในการมาแสดงธรรมได้อยู่แล้วนิพพานขาววักับนิพพานพวกขาวนิพพานขาววังนี้ด้วยเหรอคะเอ็นนิพพานสมถะกเปรียบเที่ยบไงสมาธิไงเวลาจิตสงบอตอนนั้นความโลภความโกรธความหลงความอยากก็ หายไปไม่ทำงานก็เหมือนกับ น, นิพพานเองแต่ว่าพอออกจากสมาธิมาโลกกดลงมันก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนหินทับญ้าแต่นิพพานจริงนี่เขาถอนรากถอนโคนของหญ้าให้หมดเลยไม่ต้องเอาหินไปทับไม่ต้องใช้หินไปทับไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอยู่อย่างนี้เฉยๆีย่กิเลสก็ตายหมดแล้วถ้ามีปัญญากิเลสมันออกมาไม่ได้ พอจะโลบ ก, ก็บอกเป็นตายรักปั๊บมันก็ไม่เอาละพออยากจะได้ใครมาเป็นแฟนก็เป็นผีไปปั๊บก็มันก็ไม่เอาละไม่เฉยเฉยพออะไรจะมาฆ่าร่างกายนี้มันก็บอกว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราเราอยากจะฆ่าก็ฆ่าไปมันไม่มันไม่กลัวมไม่รักไม่ชังมไม่กลัวไม่หลงกับอะไรมันมีปัญญารู้อยู่ตลอดเวลา ออ่่าาถมตคำถามจากคุณโซลค่ะอยากออกบวชแต่ติดห่วงครอบครัวจะทำอย่างไรดีครับก็ตัดมันสิเอมันจะยากเลยคุณเจ้าก็ตัดได้อยากไม่จริงสิแต่อยากจริงมันตัดได้เวลาอยากไปเที่ยวมันมีปัญหาเลยไปไหนไปได้พอจะบวชนี่โอ้ยยึกยักยึกยักเอย ถามจากคุณน้ำมนค่ะการไปเก็บศพร้ญาติหรือการไปล้างป่าช้าได้บุญไหมคะก็ได้ปัญญาไงได้ไปเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายของเราที่ต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนี้หรือร่างกายของใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เพีแต่ว่าเราจะเอามาใช้ให้มันเป็นปัญญาหรือไม่เท่านั้นเองตอนที่เราไปเก็บศพแล้วเรากลับมาก็ลืมแต่ถ้าเราคิด ว่าเป็นศพเป็นของศพของคนเป็นที่ตายไปเรามาเจอคนเป็นแล้วก็ต้องบอกว่าต่อไปคนเป็นเ น, นี้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นเราต้องเอามาใช้ให้เป็นปัญญาจะได้ตัดความกลัวตายได้ตัดตัดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของของเราของคนอื่นได้ไม่วิตกไม่กั ง, งวลไม่ห่วงใยใครแล้วละ่ะก็รรู้เดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นซากศพไป การสาสิสองนานนแบบแล้วมันจะมองเห็นข้างในใสอยู่เลยเห็นทุกอย่างเลยอาจารก็ลองทําดูสิอ่าอําก็ต้องเห็นเนี่ยลองคุณคุณนึกถึงเงินทองอยู่ในธนาคารบ่อยๆเนี่ยมันก็เห็นเองอ่ะอ่าอ่าก็นึกมันบ่อยๆมันก็เห็นเองอ่ะไม่เห็นก็ไปเปิดภาพดูก็ได้แล้วก็เปิดภาพมันเห็นอยู่แล้วแต่ในมันจะมองเห็นอ่าก็ภาพที่ก็ให้เห็นก็ดูบ่อยๆแล้วก็จำมันไว้มันก็เห็นนะใช่ไหม ภาพแฟนเราตอนนี้ไม่ไม่ต้องเปิดภาพดูก็ก็จําได้แล้วใช่ไหมเน้าตาแฟนเป็นยังไงอ่าเพียงแต่เราไม่เคยดูตับตไตไสู้มิเขาเราลองดูตับตไตไสู้มิเขาดูต่อไปเราก็จะเห็นตับตไตไสู้มิเขาตอนนี้เราเห็นแต่หน้าเขาไม่หนูหมายถึงว่ามันสว่างแบบใสไม่เ ห, หรมันก็เหมือนกับที่เราเห็นตอนนี้เวลาเราคิดถึงแฟนเรามันสว่างไหมล่ะอ๋อเห็นเป็นภาพอ่าไม่ต้องภาพก็ได้เพียงแต่รู้ว่านึกถึงแฟนก็รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ ก็พอแล้วแต่จะเห็นแบบนั้นก็ได้นะเราไม่รู้นะบางคนอาจจะเห็นเป็นภาพไปเลยก็ได้ถ้าก้าเพ่งบ่อยๆ อ, อย่าเงี้ยถ้าค้อเพ่งดูภาพบ่อยๆแล้วนึกอยู่บ่อยๆมันก็เห็นได้แต่บางทีไม่ต้องภาพก็ได้พงแต่นึกถึงชื่อมันมันก็มันก็ไม่เอาแล้วคือทำอยังไงก็ได้ให้เรามันตัดติเลสให้ได้ก็แล้วกันจะเป็นภาพก็ได้เป็นความ ความรู้สึกนึกคิดก็ได้คิดถึงอุจจาระนี่ก็กินข้าวไม่ลงนะเอ๊ะต้องเห็นภาพมันไหมฮะเดี่อแต่คาว่าอุจจาระมันก็ไม่เอาลนะเอออย่างนั้นอ่ะขอให้มันอามาดับกิเลสได้ก็ใช้ได้มีมีมีคนแจ้งมาบอกว่าภาพเสียงชัดเจนที่ที่เมืองอายักซิโอ ออิตาลีเปล่าท่าทางชื่อในนี้เป็นอิตาลีเป็นเกาะยืนบนอิตาลี่ครับเพราะชื่อมันฟังมันเป็นอิตาเลียนเนี่ยก็เป็นประเทศเท่าไร่ไม่ได้จอดไวเออสิบหกสิบเจ็บเจ็ดประเทศนะเขาว่าไงเขาส่งมาว่าส่งมาภาพเสียงชัดเจนครับจากประเทศนี้จะเป็นเกาะเลยครับเป็นเกาะครับต้องอยู่ตอนใต้มันเกาะ ประเทศที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วคนำะถามจากคุณขวัญจิตค่ะวิธีพิจารณาด้านปัญญาควรทำอย่างไรค ะ, ะก็นึกบ่อยๆเงี้ยนึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าอนิจังเอาของที่ใกล้ตัวเราก่อนเอาของที่เราผูกพันอยู่เช่นเงินทองเนี่ยมันไม่แน่นอน มันมาได้ไปได้แล้วก็ลาบยศสารเสริญเนี่ยสามตัวนี้ยศตำแหน่งต่างๆสถานภาพต่างๆที่เราเป็นกันอยู่นี่เป็นผู้จัดการเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอมีเจริญมีเสื่อมได้สรรเสริญก็เหมือนกันสรรเสริญก็มีเนินทาเป็นของคู่กัน แต่เรามักจชอบแต่การจเจริญราบยศสรรเสริญแต่ไม่ชอบการเสรื่อมของราบยศสรรเสริญเท่านั้นเองพอมันเสื่อมก็เลยวุ่นวายเสียใจกันเป็นบ้ากันไปเี๋วเราต้องสอนใจเพื่อเราจะได้ไม่เป็นบ้าเวลามันเสื่อมเราจะได้เตรียมตัวรับกับเวลาที่มันเสื่อมเวลาแฟนเสีบายบายโก o home you stay here <laughs> จะได้ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เออไปหมดเลยไปเออนี่เรียกว่านี่เรียกว่าปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะไม่ร้องห่มร้องไห้จะไม่เสียใจเพราะรู้ว่านี่คือความจริงของชีวิตชีวิตก็มีได้มีเสียมีมามีไปมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาแต่พอเจอจริงจริง้วมันทำยาก ก็ไม่เป็นปญนัญญาไงไม่คิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดทั้งวันทั้งคืนต่อไปมันก็จะทาใจได้เองเพอคิดแล้วมันบ่อยๆแล้วมันอยากจะไปทดลองเลยมันอยากจะทดลองลองไปอยู่คนเดียวเลยไม่ต้องอยู่กับแฟนทั้งพักให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถ้าเกิดทะเลาะกันวันไหนก็ไปเลย <c oughs> <c oughs> จะไ ด, ด้รู้แล้วรูว้ล่ามาอยู่คนเดียวได้ไหรือเปล่าตายอยู่คนเดียวได้โอ้ยสบาย ใ, ใคร ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งอะไรนี่สบายของต่างๆที่เราพึ่งนี้มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนนี่เรียกว่าปัญญาความไม่เที่ยงไม่แน่นอนมันยึงทําให้เราทุกข์กันใช่มหมเพราะเราอยากให้มันเที่ยงแล้วก็ความที่มันไม่เป็นของเราก็อยากให้มันเป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราก็ทุกข์กันเพราะอยากให้เป็นของเราไปเรื่อยๆ แฟนเราก็อยากให้เป็นของเราไปเรื่อยๆพ่อแม่ก็อยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอพ่อแม่ไปก็เสียใจแต่ถ้ามีปัญญาก็จะเฉยๆไม่เสียใจแต่ก็ไม่ได้ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นหรอะไรเงี้ยก็เฉยๆตายแล้วก็ทำหน้าที่ไปทำพิธีศพให้ไปอะไรไปเป็นเรื่องปกติธรรมดา ของร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปคนมีปัญญาก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ร้องหม่มร้องไห้คนที่ไม่มีปัญญาก็เนี่ยเศร้าโศกเสียใจเคยออกงานออกการไม่กล้าออกไม่ออกไปไหนแนละ้วไม่มีใจที่อยากจะออกไปงานต่างๆ ง, ง, งานสังสรรค์งานบันเทิงงานอะไรนี้ มันใจมันไม่เอาน่ะใจมันเศร้าโศกแต่ก่อนที่ไม่มีอย่างนี้ตายวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปงานได้งานเลี้ยงที่ไหนเชิญไปก็ไปได้แต่อาจจะไม่ไปเพราะเดี๋ยวคนจะหาว่าอะไรว่าเพิ่งตายประโยชน์ยงสัเดียวแต่ใจเขาจะเฉยเยนี่คือการเจริญปัญญาพยายามมองตายรักน์ทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายลักทงนั้นไม่เที่ยงเอ ไม่ใช่ของเราจึางทําให้เราทุกข์กันเพราะเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นของเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจว่าเออทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่อยากให้มันเที่ยงไม่อยากให้มันเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ที่ปฏิบัต <ichtlich> ินี้เพื่อให้เราเห็นความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงอย่าไปอยากให้มันเที่ยงอ ย, าอยา่ lando, อยาไปอยากให้มันเป็นของเรา ร้องเลยเนาะร้องให้ก็เขาว่าก็เป็นการนินทาไปถ้าเรามีปัญญาเราก็เราก็เฉยเฉยไปสันเสินินทาเป็นของกู้กันเขาจะนินทาก็ปล่อยก็นินทาไปคนไม่ได้ร้องหไห้เขาก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเสียหายเดือดออร้อนที่งไหนใช่ไหมใครจะว่ากันก็ปล่อยเขาว่าไป คนที่มีปัญญาแล้วจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ตอบโต้จะไม่อะไรจะถือว่าเฉยเฉยแสดงว่าคนมันโง่คนที่ว่าเรามันโง่ก็เลยไม่รู้ไปเถียงกับคนโง่ทําไมเถียงให้เหนื่อยเปล่าๆก็ปล่อยให้เขาว่าไปเดี๋ยวเขาเมื่อยเขาก็หยุดว่าเองอะทําตัวให้เป็นเหมือนเสานี่เลยแล้วใครมาด่าเสาเนี่ยลองไปนั่งด่าเสามันก็พักเดี๋ยวก็เมื่อยปากมันก็หยุดเอง ที่มันไม่เมื่อยก็เพราะพอด่าแล้วมันเต้นน เ, เป็นเหมือนจริ้งหรีดมันเลยมันเล ย, เลยชอบด่าใหญ่แต่ถ้าด่าแล้วเราไม่ไปตอบโต้เขาแล้วเฉยๆเขาเไ ม, ไม่ไม่ถึกษาอะไรเดี๋ยวเขาก็เบื่อเอง อ, อันนั้นนี่คือปัญญานะข้อต่อมาคำถามจากคุณน้ํามนค่ะลัโสดาบันมีความอยากรวยมีความอยากได้เกียรติยศ อยากได้คนยกย่องสรรเสริญหรือไม่คะเออท่านเห็นความตายแล้วท่านจะไปอยากได้อะไรพอโสดามันนี้ท่านท่านได้เข้าพบกับความตายแล้วแล้วก็ไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บแล้วท่านไม่ได้อยากได้อะไรแล้วท่านอยากจะไปนิพพานแล้วนะท่านก็จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปแต่ยังมีอารมณ์รักโลกอยู่ก็นั่นเองเขาท่านหนึ่งจะตัดท่านจะไปเจริญสุภะแล้วทีนี้พอเป็นโสดาบันละขั้นต่อไปก็จะเริ่มเจริญสุภะแล้ว ถ้ามีเมีย ม, มีแฟนก็จะคอยดูให้เขาให้เป็นซากศพอยู่เรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ที่สุดก็แยกกันอยู่ได้ก็เป็นภาอนาคามีไปแต่เรื่องที่จะกลับไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากการเที่ยวการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วคนเห็นความเวลาคุณจะตายนี่คุณอยากอยากจะไปเที่ยวอ่ะเวลาไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งนี่ยังอยากจะไปเที่ยวไหม ไปเลยเป็นมาเร็งเด็กสามเดือนอยังไงไปเที่ยวทั้งสามเดือนเลยเลยเดี๋ยวไม่ไปโอ้ไม่กลัวความตายเลยนะกลัวไม่ได้เที่ยวโอ้โหเนี๋ยจะตายเลยนะนะครับขอให้มันเป็นอย่างงั้นเถิดเพงแต่แฟนตายยังไม่มีอารมณ์หนะนึ่งแล้วตัวเองจะตายยัง ม, มีอารมณ์เหรอพูดไปอย่างงั้นเองแหลนะใช่ไม้ม คนเราเวลายังไม่โดนหมัดเป็นก็พูดได้เพราะต่อยมาเลยพอโดนเข้าถึงสิงก็รู้ว่าเป็นยังไงราการของพุทธวัตเมื่อสองปีก่อนนะพระอาจารย์ไอผู้จัดการของกรุงเทพฯเขาเสียชีวิตเขามีจติกมากเลยนะเขียนจดหมายลาตายอะไรอย่างเงี้ยลูกเมียพ่อแม่ร้องแต่คุณที่จะตายอ่ะชื่วโมงที่จะตายเนี่ไม่ร้องอะไรๆบอกมึงเขาบอกอย่าร้องไห้ที่ไปดีแล้วไปอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเขาบ เดแสดงเขามีปัญญานมาถ่ายรูปด้วยนะชวนมาถ่ายรูปเนี่คอื่นเขาร้องแร้อก็เป็นอะไรอ่างก็ดีแสดงว่าเขามีปัญญาเขาไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายแล้วก็พอไรมางลูกเขารออยู่คนหนึ่งคุณสุดท้ายแฟนเก่าหรืออะไรนี่แล้วก็ก็พอมาเสร็จเาก็ถอดเตียง้ออกเลยแล้วก็ตายเลยเขาถอดเอง เพรเนี่ยก็มาออกการนพรา ะ, ะแล้วก็ถายให้ดูจะไปบรรลุแล้วตอนนั้นไม่ได้บรรลุแต่ว่าเขานั่งสมาธิบ่อยไงอื อ, อ, อ, อเดี๋ยวจะให้พรก่อนสําหรับช่วงแรกเดี๋ยวญาติโยมที่อยากจะรอรับพรเนี่ยจะกลับจะได้ไปได้ ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสักขังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิต um ังตุมหังทิดเปเมวะสมิจโตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปณะระโสยะถามณิโตติ ภราสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัธนสีลิศลิจังวุธาปจายโนจตารุธรมมวะทานติอายุวันุสุขังพาลัง มีอะไรอยากจะพูดงห ม, มีอยาอะไรจะถามมั้หมมาพักที่วัดเหรอนะาพที่อยู่ที่วัดเหรอค่ะอ่มาสามวันค่ะมาวันมาครั้งแรกอ่าหลายครั้งมาหลายครั้งนะเอี๋ยวปีนี้มาครั้งแรกเพรว่าสามปีที่ผ่านมาก็มาตลอดลอ่ามาเป็นประจำปีอย่างเงี้ยมาตลอดอมาตลอด สะกมาเมื่อไหร่ก็เข้ามาอนอกจากมาที่นี่แล้วไปที่อื่นบ้างหรืเปล่าคือถ้าสามปีที่แล้วช่วงนั้นที่มาที่นี่ตลาดก็จะมีไปที่ตะลังเลยน่ะเป็นยังไงที่เหนือคะที่เนีอเป็นสายลูกหน่อพ้องหนอแต่จริงๆก็คือสายเอวิปัสสนาเหมือนกันเอแต่ว่าหลังก็เลยมาทางนี้ตลอดเพราะว่าด้วยบ้านอยู่ที่ศีราชาค่ะอแล้วก็เห็นว่าที่นี่สะดวกที่สุดแล้วก็ หลังจากที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะก็พบความสุขสงบข้างในเยอะมากค่ะแล้วก็ทำให้ดำาหนิงชีวิตแต่ละวันยังมีความสุขอ่าดอีอใช้ได้ ค, ความสุขอยู่ในใจเราเองนะใช่ไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆภายนอก <c oughs> สิ่งภายนอกกลับจะทำให้เราทุกเยกันมากกว่าเพราะได้มาแล้วก็ต้องหมดไปได้มาแล้วก็เสียไป เปลี่ยนไปพอเขาเปลี่ยนไปเราก็เสียใจเอาความสุขภายในดีกว่าโดยการใช้สติควบคุมใจใช้สติสมาธิปัญญามีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีนะฟังไปเรื่อยๆมีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีครับไม่มีครับอาจารย์มาจากที่ไหนนะอยู่ศิลาชาง น, นการมาด้วยกันนะ แต่ น, นั่งคนละมุมเลยนะเวลามาว่านจะอยู่คนละมุมเลยเวลากลับบ้านก็เป็นป่าท่องเวลากลับบ้านก็กลับไปเป็นป่าส่องโกต่อคำถามต่อประเทศที่สิบแปดเ็ของ UAE เออูเอออยู่ในแถบ a อ r ์รับ t อนี่ยแขกเนี่ยแต่คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนไทยไม่ได้อยู่ที่นั่นกัน ว่าแขกเขาคงฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอคคนไทยเราต้องรู้สึกในนี้ไปทั่วโลกนะครับมีทุกแห่งทุกคนแลวภาพและเสียงชัดเลยครับตอนนี้ YouTube ขึ้นมาที่เจ็ดสิบสามคน u t u b e นี่มันดีกว่า Facebook ตรงที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกใช่อหมถ้าเสิร์ช้ามาเจอได้ก็ดูได้เลยแต่ถ้าเป็นเฟซนี่ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน แล้วถ้าเป็นเครื่องมือถือก็ต้องมีมีมีแอปก่อนต้องต้องเอาเอาแอปใส่เข้าไปก่อนถึงจะเข้าได้อ่อแต่ youtube ก็ต้องมีแอปเหมือนกันนะ้องมีแอปมียูทูปออ่าแต่ส่วนใหญ่แอปมันมา youtube มันมากับแอปอยู่แล้วนะครับ o u t u b e ถ้ค่ะอาจารย์ถ้าดูยูทูปถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือจะเสถียรกว่าเฟซบุ๊คมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยสัญญาณไม่ดีมันก็จะมันก็จะไปของมันสมุดกว่าของการสมุยกว่าของยูทูป ยูทูบเสมอกว่าอ่า19ประเทศแล้วแหละครับตอนนี้ตอนนี้18ประเทศอ18แล้วอลองลองไล่มาตั้งแต่หนึ่งให้ฟังหน่อยอ๋ออันประเทศที่ห น, นึ่งคือขอตอนที่สิบเด็หือสิบหือสิบเจ็ดนะประเทศที่หนึ่งคืออิตาลีสองคืออังกฤษสามคือ u เ a 4คือญี่ปุ่นห้าคือเยอรมันหกออสเตรเลียเจ็ดมาเลเซีย แนิวซีแลนด์เก้าสวีเดนสิบฝรั่งเศสสิบเอ็ดรัสเซียสิบสองสิงคโปร์สิบสาฟินแลนด์สิบสี่เกาหลีสิบห้าสีลังกาสิบหกนอร์เวย์สิบเจ็ดยูเอเครับอ๋อสิเจ็ดแล้วจดไว้เลยบันทึกไว้เลยครับถึงไปในรถนไว้เป็นสถิติฮนะบางทีทำอะไรถ้าเราเก็บสถิติไว้บ้างก็ดีฮนะ จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีคําถามเข้ามาเรื่อยๆเล้ใช่ไหมตอนนี<อ>้ถามไปคําถามจากคุณเฉลิมพลค่ะการบูชาพระเครื่องเป็นการขวางกั้นการบรรลุโสดาบานหรือเปล่าครับถ้าเราไม่ยืดไม่เตดก็ไม่ไม่ไม่ขวางถ้าเราเราบูชาด้วยความเคารพรักพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ได้บูชาเพราะ จะอาศัยพระเครื่องมาเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นที่ปกป้องคุ้มครองรักษ า, านี้ถ้าบูชาแบบนี้ก็ก็หลงทางแต่ถ้าบูชาพเพราะเคารพรักเพราะคุณของพระพุทธเจ้าบุญคุณของพระพุทธเจ้าที่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะไม่รู้จักวิธีปลดเปื้องจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากการเย็นว่ายตายเกิดแต่เราก็มีพระพุทธรูปอย่างนี้ไม่เป็นไร มีได้แต่อย่าไปคิดว่าจะมาคุ้มครองปกป้องรักษาให้เราแข็วค้ามปลอดภัยมันไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนั้นก็ยังหลงอยู่ยังเป็นศีลับพระตะปรมาสอยู่แต่ถ้าเพีงแต่กลับครูบาอาจารย์ท่านก็ยังกลาวพระพุทธเจธรรมพระพุทธรูปอยู่หลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์เวลาท่านมาศาลาหรือเวลาท่านไปไหนที่มีพระพุทธรูปมีพระธาตุท่านก็กลาว กาบแสดงความเคารพลำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ได้กาบเพราะว่าโอ้ยเอาหัวคุ้มทุกข์ขาให้แค่ว่าปลอดภัยเห็นพอรถต้องปีนก็เอาพระออกแต่หลวงพ่อย่างงั้นไม่ใช่ข้อละอย่างกันต้องม่ถึงข่าวตายเออตายอ้าวตายก็ตายงั้ ง่ายๆพีงแต่เอาน้ําเข้าไปแทนเอาอากาศเข้าไปก็ตายแล้วนะอคำถามคำถามส่วนใหญ่จะเป็นคําถามที่ค้างจากเมื่อวานทั้งนั้นแหละแหลดีเอาเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่มีโอกาสคําถามจากคุณป้อมค่ะวันขอเงินพระจันทร์ให้เราทําพิธีขอเงินพระจันทร์เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใหม่คะ ไม่เกี่ยวหรอพระอาจารย์มีเงินด้วยเหรอถ้าไม่เกี่ยวถือเป็นความโลภอย่างหนึ่งได้ไหมคะแค่อยากได้เงินมันก็โลภก็แหละคำถามจากคุณวีนัสค่ะนั่งภาวนาพุทธโธไปได้สักพักมีอาการตัวโยกจนไห้หลังควรลุกมานั่งภาวนาต่อหรือเปลี่ยนไปเดินจงกรมเจ้าคะก็แล้วแต่แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วตอนนั้น นั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งจริงๆมันต้องนิ่งร่างกายต้องไม่ขยับเยื้อนแสดงว่ามีสติต้องต้องมีอะไรกำกับใจต้องมีพุทโธพุทโธไปหรือมีการดูลมหายใจเข้าออกไปแต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วไม่พุทโธไม่ดูลมเนี่ยแล้วปล่อยให้ใจมันไปตามเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็เคลิบบ้างเดี๋ยวก็เห็นนูน่นเห็นนี่ขึ้นมาบ้างนั่งแบบนี้ไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิ คำถามจากคุณสุภกิจค่ะเพื่อนผมมีลูกสามคนอายุราวสิบถึงสิบสามขวบมีภรรยาไม่ได้ทำงานตอนนี้เขาไปฝึกปฏิบัติธรรมกลับมาบอกภรรยาว่าจะออกบวชโดยไม่สนใจจะเลี้ยงดูบุตรและภรรยาต่อไปอย่างนี้ขอทำหน้าที่ถูกต้องหรือไม่คะถ้าเขามีเงินทิ้งไว้ให้ภรรยาอยู่ได้อย่างสุขสบายก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรคือ <c oughs> แต่ถ้าเขาทิ้งภาระเพราะ เพราไม่อยากจะเลี้ยงไม่อยากจะรับภาระ น, ะนี้ก็ไม่ถูกต้อง <c oughs> แต่ถ้าเขาสามารถหาอะไรมาทดแทนตัวทำหน้าที่แทนเขาได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็รู้ว่าท่านไปภรรยาลูกก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีพ่อมีอะไรมีสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ถ้าไปแบบนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปแล้วเขาเดือดร้อนนี่ก็ยังไม่ควรไปควรจะ ทำให้เข า, เามีอะไรให้เขาอยู่รอดแต่ถ้าเราจะมองในในด้านความเป็นจริงถ้ามองในด้านธรรมะเราอาจจะคิดว่าแล้วถ้าเราตายไปแล้วก็จะทำยังไงใช่ั้มเราตายไปก็เหมือนกับเราไปบวชเหมือนกันใช่ไ้ยเขาก็ต้องอยู่ต่อไปได้ดีเขาก็ต้องดิ้นรนไปตามตามตามวิถีทางของเขาถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไปได้ แต่ใจเราอาจจะมาเสียใจภายหลังก็ช่วยไม่ได้นะบางทีไปบวชแล้วพอพอความอยากบวชมันหมดแล้วทีนี้เริ่มคิดถึงลูกคิดถึงเมียแล้วทีนี้ก็มาสำนึกผิดแล้วไม่สบายใจแล้วสิเดี๋ยวก็อยากจะกลับไปหาลูกหาเมียนะได้ยางนี้ก็ไปแล้วก็ไปไม่รอดถ้าไปแบบนี้ก็ไปไม่รอดถ้าไปแล้วมันต้องมีเหตุมีผลที่จะทาให้ไม่กลับไปอีก เช็นไปแบบคิดว่าตายจากกันไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะถือว่าเป็นเรื่องของบุญของกรรมก็แล้วกันคำถามจากคุณณพลค่ะเคยมีคนสอนว่าเมื่อทำสมาธิแล้วได้ความสงบต่อจากนั้นให้ตามดูจิตอย่างนี้แล้วถูกขั้นตอนไหนครับไม่ถูกหรอกเวลาทำสมาธิจิตสงบแล้วไม่ต้องไปตามมันไม่ไปไหนแล้วเวลาจิตสงบเป็นสมาธิมันนิ่งมันสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขา ให้เราใช้สติประคับประคองมันไว้อย่างนั้นให้สักแต่ว่ารู้ไปจนกว่ามันเริ่มถอนออกมาจากสมาธิเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วพอมันคิดปรุงแต่งแล้วก็เอาความคิดปรุงแต่งนี่มาสอนปัญญาให้มันคิดไปในทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปตามดูจิตมันไม่เปิดประโยชน์จิตมันมีแต่กิเลสไปตามดูมันทําไมเราต้องการจะดึงมันกลับมาไม่ให้มันไปทางกิเลส การเดินตามจิตดูจิตนี่มันไม่ถูกละมันต้องสอนจิตวิปัสสนาไปว่าการสอนจิตให้รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงพอออกจากสมาธิมาปับ๊บคิดถึงลูกคิดถึงเมียก็คิดว่าเป็นซากศพไปคิดเป็นว่าอาการสาสบสองไปเป็นดินน้ำลมไฟไปเป็นเกิดแก่เจ็บตายไปให้คิดอย่างนี้แล้วความคิดนี้จะทําให้เราดับความทุกข์ดับความกังวลใจ เกี่ยวกับลู ก, ล ก, ลกเราตัวเราครอบครัวเราใครคนต่างๆไปได้หมดต้องใช้ปัญญาแล้วพอจากสมาธิมาปั๊บถ้าเราชำนาญทางปัญญาทางสมาธิแล้วถ้ายังไม่ชำนาญอย่าเพิ่งไปทางปัญญาเพราะเดี๋ยวฟุ้งแล้วจะเข้าไปในสมาธิไม่ได้เพราะว่าเวลาทางใช้ทางปัญญามันคิดนะพอมันคิดมากๆบางทีไม่มีสติมันหยุดมันไม่ได้นะมันก็จะฟุ้ง เวลาจะพักจิตกับพักไม่ได้นะเพฉนั้นเราต้องมั่นใจว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการถึงจะเรียกว่าชํานาญอถ้าเราเข้าสมาธิได้ทุกเวลาแล้วเวลาออกจากสมาธิเราถึงค่อยไปทางปัญญาถ้ายังไม่ชํานาญออกมาก็จเจริญสติต่อไปก่อนพุโทโธพุโทโธไว้ควบคุมความคิดไว้อย่าให้มันคิดเราสามารถเหมือนกับขับรถเนะี่ย ต้องชนานาญขับรถในบ้านให้ได้ก่อนขับรถแถวแถวในตอกในซอยให้ได้ก่อนเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วเราค่อยออกไปถนนใหญ่ขึ้นทางด่วนไปไหนไปเลยตอนต้นเราไปขับที่มันปลอดภัยก่อนให้เราชนานาญก่อนสมาธินี่ก็เหมือนกันถ้าเรายังเข้าไม่ได้เข้าออกบ้างเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างนี้อย่าเพิ่งไปทางปัญญา ได้อันนี้มันเป็นวิธีทำให้จิตสงบเลยเอ่ามันก็ได้สมาธิเหมือนกันนะออได้เหมือนกันเี่ยปัญญาลมสมาธิใช้ปัญญาแล้วก็แล้วก็กค่อยมานั่งสมาธิทีหลังอ่าก็นั่งไปอ๋อองด้วยแล้วก็นั่งสมาธิอ่าก็ได้แต่ถ้าใช้มันสงบ ก, ก็น้องเอาเอาให้มันอยู่กับอาการเดียวเช่ <backbone> นเอากระดูกก็ได้หรืออะไรก็ได้เอา่องให้มันสงบ ก, ก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิ อ, อ่าจิตมันจะสงบอ่า ที่ทั้งเพื่อไม่มันฟุ้งซ้านไม่ให้ไปคิดถึงแฟนไม่ให้คิดถึงขนมนมเนยไม่ให้คิดถึงเสื้อผ้าอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้จิตจะได้เย็นสบายแล้วเวลานั่งมันก็จะได้อยู่กับอารมณ์ที่เรากาหนดได้อยู่กับพุทธโธไปอยู่กับลมไปไม่อยู่กับอาการสามสิบสองอาการใดอาการหนึ่งอย่าเอาทั้งสามสิบสองเอาอาการเดียวเอากระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกดไปเลย นั่งหับตาแล้วกระดูกกระดูกแล้วก็นึกถึงกระดูกนึกถึงโคงกระดูกขึ้นมาอย่างงี้อย่างงี้มันก็จะรวมได้แต่ถ้ามันเป็นสามสิบสองมันยังมันยังเดินอยู่มันยังใช้ความคิดมันจะใช้ความคิดอยู่มันก็เลยจะไม่รวมแต่ให้มันอยู่กับความคิดเดียวนี่มันจะรวมเรื่องเดียวมันจะรวมดังนั้นถ้ายังเวลาจิตสงบแล้วอย่าไปตามจิตให้ให้ให้รักษาความสงบไว้ ให้นามที่สุดเท่าที่ใช้สติสักแต่ว่ารู้ไปเดินกว่าจิตถอนออกมาพอถอนออกมาก็ควบคุมจิตต่อไปอย่าไปตามจิตอย่าไปปล่อยให้จิตคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ไปแล้วไปตามมั น, นี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องหยุดมันการปฏิบัตินี้เราต้องการควบคุมจิตไม่ใช่ไม่ใช่เดินตามจิตต อ, ตอนตอนต้นนี้เราต้องการหยุดมันก่อนควบคุมจิตให้ได้ก่อน พอควบคุมจิตได้แล้วขั้นที่สามก็บังคับให้มันคิดไปในทางที่เป็นธรรมคิดไปในทางตายรักทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักหมดเห็นอะไรก็เป็นตายรักหมดเห็นเงินเห็นทองก็เป็นตายรักเห็นคนนั่นคนนี้ก็เป็นตายรักเห็นบ้านเห็นช่องเห็นอะไรก็เป็นตายรักไปหมดให้คิดอย่างนั้นแล้วมันจะปล่อยวางมันจะไม่หลงมันจะไม่ยึดไม่ติดแล้วมันจะไม่ทุกข์ คำถามจากคุณประดิษฐ์ค่ะกายทิพในโลกนี้หมายถึงอะไรคะกายทิพก็คือใจของพวกเราทุกค น, นผู้รู้ผู้คิดนี่คือคือกายทิพอยู่ในโลกทิพไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้อยู่ในโลกธกาตุโลกของธาตุทั้งหกธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำนมไฟอากาศาธาตุส่วนธาตุรู้นี่อยู่ในโลกทิพ <c oughs> อยู่อีกโลกหนึ่งแล้วมาเชื่อมกันด้วยวิญญาณ ถ้ารู้น้ส่งวิญญาณทั้งห้ามาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้รับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายคำถามต่อไปจาก YouTube นะครับจากคุณสบายใจดีครับระหว่างวันจะใช้พุโทโธดึงสติพอทำได้สักพักกิจก็ไม่พุโทโธแต่มารู้ที่การเคลื่อนไหวของกายแทนแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ <c oughs> ได้ได้นั่นแหละเป็นวิธีเพอตอนต้น มันไม่ยอมอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายมันคิดเราก็ใช้พุโทโธหยุดมันพอหยุดคิดแล้วเราก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ก็มาดูดูใจดูดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้ใจอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปในอดีตไม่ไปในอนาคตแล้วต่อไปเวลานั่งก็ดูลมต่อดูลมเข้าดูลมออกแล้วพอดูลมอย่างเดียวเดี๋ยวจิต ก, ก็รวมเป็นสมาธิขึ้นมา คำ ถ, ถามจากคุณโจอี้ค่ะทำอย่างไรความทุกขเวทนาในขณะทำสมาธิจะหายไปครับนั่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกปวดมากครับเอ๋อทุกขเวทนาเราไปไปกําจัดมนะันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเหมือนเวลาเราปวดท้องปวดหัวอย่างเงี้ยจะสั่งให้มันหายมันไม่หายแต่เรารู้ว่ามันไม่ช้า ก, ก็เร็วมันก็ต้องหายเอราทุกอย่างมันไม่เที่ยง ดนั้นที่เราที่เรากำจัดได้ก็คือความเครียดความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บของร่างกายนี้เราควบคุมได้ที่เรานั่งแล้วมันทรมานไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายนะความทรมานใจมันเกิดจากความอยากให้ความเจ็บมันหายไปหรืออยากจะลุกอยากจะเปลี่ยนอริยาบทนี่ดังนั้นเราอยากไปอยากเราต้องหยุดความอยากแล้วอยู่กับความเจ็บไป ถ้าเราอยู่กับความเจ็บไปโดยที่ไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่เครียดเราจะไม่ทรมานใจวิธีที่จะทําง่ายๆก็คือพุทโธพุทโธไปพอเวลามันเจ็บแล้วมันรู้สึกทรมานใจเครียดใจก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้อย่าให้มันไปคิดถึงความเจ็บเลยเดี๋ยวพอมันลืมความเจ็บแล้วมันหายเครียดหายทุกข์แล้วมันจะรู้สึกว่าความเจ็บนี้ไม่รุนแรงอยู่กับอยู่กับมันได้ แลเดี๋ยวมันจะหายก็มันหายเองคำถามจากคุณสิ่งดีๆค่ะเวลาสวดมนต์จะมีอาการหาวประมาณสองถึงสามครั้งทั้งๆที่เราไม่ได้ม่วง <c oughs> ห, รหรือเวลานั่งสมาธิเหมือนตัวของเราเอ็เอนไปด้านหน้าทั้งที่จริงๆไม่ได้เอ็นมันคืออาการอะไรคะกิเลสไงพอจะพอสวดมนต์อ่ะจะนั่งสมาธิหน่อยหาว มันมีเด็กคนหนึ่งตอนเช้าเวลามันจะใส่ก่อนจะใส่บาตมันหาวก่อนนะหาวทุกหาวทุกวันเลยแเวลาที่ชอบอย่ามันให้หาวหาวเสร็จหรือยังหาวหรือยังพอเห็นพระมันจะมาพ่อมันจะบังคับให้มันทักบานมันหาวก่อนพอมันทําอะไรที่มันไม่ชอบมันจะหาวเขย่าทำมันชอบมันไม่หาวใช่ะถ้าเล่นเกมนี่มันโหด ตาลูกตาวาวขึ้นมาเลยคำถาจากผู้บรรประสงค์ออกนามค่ะเวลาเห็นพระปากกราบครูบาอาจารย์จะกราบเหมือนจะไม่เจอท่านในสังสารวัฏอีกแล้วทําให้โยมนึกถึงมรณานุสติคิดว่าวันนี้อาจเป็นมาสุดท้ายของเราให้เราทําให้ดีที่สุดในทุกวันคิดอย่างนี้ได้ไหมคะได้คนจะคิดว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อย่าประมาท รีบทำกิจที่พึงกระทาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้ยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ของเราก็คือการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราได้ประโยชน์ของเราแล้วเราก็ไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เขาได้หลุดพ้นต่อไปคาถามจากคุณสัญญาค่ะ อยากให้พระอาจารย์อธิบายถึงการสร้างบุญกุศลด้วยวัตถุทานที่เป็นบุญกุศลและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับก็ด้วยเหตุผลไงเวลาที่เราจะเสียสละเงินทองของเราไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ดูว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นในลักษณะไหนก็ดูมันต้องดูหลายอย่ะเบื้องต้นก็ดูความจาเป็นที่ไหนขาดแคลนก็ควรจะทาตรงนั้นก่อน ไม่ใช่ไปสร้างโบท์เจดีแล้วคนก็อดอยากขาดแคล น, นคนเยอะอดอยากขาดแคลนก็มาดูแลเรื่องการอดอยากขาดแคลนก่อนพอเขาไม่อดอยากขาดแคลนแล้วมีเงินเหลือจะไปสร้างเจดีสร้างโบ ท, โบท์ก็ว่าไปที่นี่อันนี้แล้วเหมือนก็ว่ามาสร้างเจดีแต่ไม่ยอมใส่บาทพระเงี้ยทำไมมันก็ดูดูเหตุผละดูว่าความทุกข์ยากอยู่ที่ตรงไหนก่อน เมื่อเมื่อเราบำบัดความทุกข์ยากลำบากได้แล้วขั้นต่อไปก็ค่อยทาสิ่งที่ที่ไม่ที่ทาก็ได้ไม่ทําก็ได้เช่นสร้างเจดีย์นี่จะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้คาถามจากคุณสุภาพค่ะทาไมคนเขาถึงแห่กันไปบูชาข อ, อพรพญานาะคขอโชคได้จริงๆหรือเจ้าคะคืออาจไปแล้วสิบคน ไปนี่ได้คนหนึ่งไอ้คนหนึ่งก็มาประกาศและที่ได้ไม่ไม่ใช่ได้ได้จากพยานาคมันได้จากอาจจะเป็นบุญเก่าหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นโชคเป็นจังหวะที่มันจะได้ขึ้นมาอ่าท่านั้นเองแต่เมื่อมีคนหนึ่งได้แล้วมันก็ทำให้ไอ้พวกตาไอ้ตาไอ้พวกหูเบาทั้งหลายก็ไปเลยตามไปกัน เห็นตอนนี้ไปคำชะโนดกันเยอะเนี่ยอถามไปไหนกันไปคําจะโนดมันมีอะไรออมีเลขมีหวยอะพอมีคนเคยถูกราวันที่หนึ่งจากที่นั่นพอคนคนไม่ถูกก็อยากจะไปที่นั่นไปกี่เมื่อไงไปกี่หมื่นคนแล้วไปถูกกันไม่รู้กี่คนคําถามจากคุณนุค่ะ ภาวนาเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาแล้วใจสงบถือว่าอยู่ในกรรมฐานสี่สิบไหมครับอยู่ก็พรอมวิหารสี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมฐานเหมือนกันคำถามจากคุณจากคุณกัญญาพรค่ะน้องสาวภาวนาต้องออกเสียงพุทโธไม่เช่นนั้นจิตจะไม่สงบถ้าออกเสียงแล้วจิตถึงจะสงบอย่างนี้ผิดถูกอย่างไรคะ ก็พอสงบแล้วก็ไม่ต้องออกเสียงแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปไม่พูดโทมโดยที่ไม่ต้องโ <c oughs> ดยที่ไม่ต้องออกเสียงต่อไปให้มันรวมมันสงบแต่ยังไม่รวมต้องให้มันรวม <c oughs> มันจะรวมนี่ต้องบริกรรมต่อไปแต่ไม่ต้องออกเสียงบริกรรมพูดโทพูดโทแบบไม่ออกเสียงตอนต้นมันยังต้องออกเสียงอยู่ <Sound heart? c oughs> เพราะจิตมันยังหยาบอยู่จิตมันยังอยู่กับเสียงอยู่เหมือนที่สวดมนต์กันไง ตอนต้อนให้สวดมนต์ก่อนเพื่อจะได้ดึงสติเข้ามาเมื่อจิตสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วทีนี้ก็พุโทโธเรือดูลมไปอย่างที่ม่คนเมื่อกี้บอกที่เข า, าเขาดูเขาพุโทโธไปก่อนแล้วต่อมาเขาก็หยุดพุดโทโธแล้วเขาก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเหมือนเปลี่ยนเกียร์รถเนี่ยพุโทโธเหมือนเกียร์หนึ่งเวลาออกรถนี่ต้องเข้าเกียร์หนึ่งถ้าไปเข้าเกียร์สองมัน เดี๋ยวมันดับนะเขาก็เลยต้องเข้าเกียร์หนึ่งก่อนเขาสวดมนต์ไปก่อนออกเสียงพุโทโธไปก่อนพอจิตเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มสงบแล้วก็เข้าเกียร์สอง เ, อเกียร์สองก็เปลี่ยนมาเป็นบริกรรมภายในใจไม่ต้องไม่ต้องออกเสียงหรือดูลมหายใจหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วแต่กรณีถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาก็ดูลมก็ได้หรือพุโทโธบริกรรมพุโทโธไปก็ได้ แต่ถ้าตอนต้นมันทําไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนอย่างเราตอนต้นเมื่อเราหัด น, นั่งสมาธิใหม่ๆเราต้องสวดสวดพระสูตรไปก่อนสวดไปแต่มันพระสูตรเป็นคําแปลก็เหมือนกันคําแปลดีเราจะได้เข้าใจความหมายได้สวดไปสักพักพอจบพระสูตรแล้วใจสงบแต่ไม่รวมอยากใช้รวมก็ดูลมต่อนั่งดูลมต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็รวม ต้องจิตต้องเพ่งอยู่อย่างเดียวมันถึงจะรวมได้จะตกหลุมตกบอ่อได้มันต้องเพ่งอยู่อย่างเดียวอยู่กับเรื่องเดียวคำถามจากคุณเอกคุณค่ะเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นกายใจมันทํางานเองโลกใบนี้จืดชืดรู้สึกว่างเปล่าก็อยากอยากทราบต้องทําอย่างไรต่อคะก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างแล้วไปบวชนะคนที่ก็ บ, บรรลุธรรมก็ขอพระพุทธเจ้าบวชเทนะ่านั้นแหละ ใช่ไหมไปอ่านในพระไตรปิฎกดงพอฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติตามพระเจ้าสอนปับ๊บันรูุธรรมปั๊บก็ขอบวชเลยไม่รู้จะอยู่ในโลกนี้ไปทำไมเมื่อมันจืดชืดแล้ ว, ลว อ, อยู่คนเดียวดีกว่าคำถามต่อไปจาก YouTube ครับจากคุณสมศรีนั่งสมาธิดูลมแล้วรู้สึกเหมือนตาจะเปิดเห็นร่างกายที่นั่งเป็นสีขาวดิฉันก็ปิดตาลง แล้วมาสนใจที่ลมต่อไปซึ่งมันจะหายใจเข้าและออกช้าลง ม, มากทำเช่นนี้ถูกไหมคะเออให้ดูลมไปอย่างเดียวลมจะชาจะจะจะ้าจะจะยังไงไม่ต้องไปกังวลกับมันให้ใช้ลมเป็นที่เกาะใจเท่านั้นเองไม่ให้ไปสนใจกับเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งมันก็จะตกหลมุมตกบ่อเข้าไปคำถามจากคุณพีโกนค่ะเราอุทิศบุญให้บรรชน จะถือสีห้าทาสมาธิกับเดินจงกรมทาสมาธิกับเดินจงกรมได้หรือไม่คะเขาไม่ค่อยนิยมกันเท่าที่เท่าที่สอนมาเขาให้ทําทานนั่นเวลาจะอุทิศบุญนี่ให้ทําทานกันเพราะมันได้แน่ๆเวลาเราทําบุญนี่เราได้บุญแล้วแต่รักษาสีนี่ไม่รู้ยังครบหรือเปล่าครบไม่ครบบริสุทธิ์หรือไม่มันกของอย่างอื่นนี่รู้สึกว่ามันยังเป็นบุญที่ไม่แน่นอน อย่าไปอุทิศของที่ไม่แน่นอนเลยเดี๋ยวคนที่เขารอรับจะไม่ได้รับเอาของที่แน่นอนดีกว่าก็คือถวายทานทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศบุญไปคำถามจากคุณตองค่ะตอนนี้หนูมีปัญหาแล้วจิตตกใจเจ็บแล้วภาวนาต่อไม่ได้หนูใช้วิธีหลับแต่จิตไม่ฟื้นขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าหนูควรเพิ่มอะไรบกพร่องอะไรคะเออก็ต้งฟื้นฟูจิตขึ้นมา ด้วยการบางทีฟังเทศฟังธรรมไปสวดมนต์ไปบริกรรมพุทโธไปพยายามหยุดคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเนื่องราวต่างๆ ต, ต, ต้องใจเย็นๆเวลามันตกแล้วบางทีอาจจะใช้เวลาหน่อยก็อาศัยการเกาะติดอยู่กับธรรมะนี่แหละฟังธรรมไปบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างพุทโธบ้างเดินจงกรมบ้างทามันไปใจเย็นๆ เดี๋ยวมันก็จะกลับคืนมาอย่าไปอยากให้มันฟืน้หนหงาพูดในยูทูบอ่ะท่านว่าท่านิเสอม ะ, าะอาาีด้วยเหรอท่านว่าเอแต่กีตาบัวอบอตอนนั้นท่านก็ยังสมาธิท่านยังยังไม่ชำนาญอย่างที่บอกเนี่ยพอไม่ทำพับไปนั่งทำกรดแทนมันก็เลยเสื่อมพอจะกลับเข้าสมาธิมันไม่เข้าแล้วจาทางไม่ได้ ยังเพิ่งเริ่มปฏิบัติเริ่มเพิ่งเริ่มปฏิบัติช่วงล้มลุกคุกคานประมาณทไงพอคิดว่าได้สมาธิแล้วก็คิดว่าจะได้ไปเรื่อยๆก็เลยพอดีช่วงนั้นจะไปออกทุดดงมั้งเลยต้องไม่นั่งทํากฎทํากฎก็เลยไม่นั่งสมาธิเลยมีแต่นั่งทํากฎทั้งคืนทั้งวันคิดจิตมันก็คิดอยู่กับเรื่องกฎอย่างนีพอถึงเวลาจะเข้าสมาธิมันเข้าไม่เป็นจังละ ถึงบอกเมื่อกี้บอกว่าถ้าเรายังสมาธิไม่ชํานาญอย่าพึ่งไปทําอย่างอื่นอย่าพึ่งไปทางปัญญาต้องให้ชํานาญก่อนให้รู้จักทางเข้าออกก่อนเมื่อเราชํานาญแล้วจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้แนละ้วที่ไม่เสื่อมละที่เราก็สามารถไปทางปัญญาได้เพราะการไปทางปัญญาเราก็ต้องกลับมาพักในสมาธิสลับกันปัญญาเหมือนออกไปทํางานนอกบ้านพอทํางานเหนื่อยก็กลับมาบ้านมาพักผ่อนหลับนอนมากินข้าว พอกินเสร็จหลับนอนเสร็จตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ออกไปทางานต่อถ้าออกทางวิปัสสนาแล้วยังต้องพักพิจารณาสักพักแล้วมันมั น, ม, นมันเบื่อแล้วมันฟุ้งก็หยุดมันแล้วกลับมาเข้าสมาธิทำใจให้สงบแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ไปพิจารณาต่ออย่างนี้มันถึงจะเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าไปทางปัญญาแล้วพอจะกลับเข้าสมาธิขาทางกลับเข้าไม่เจอฟุ้งเพราะใช่พอฟุ้งแล้วยิ่งไม่มีอารมณ์ใหญ่แล้วเดี๋ยวก็สติแตกไปเลยกลายเป็นวิปัสสนูเป็นบ้าไปเลยก็ได้เมื่อการตอนตอนออกเนี่ยมันเหมือนกับารถอยถอยออกมามันก็มันเริ่มคิดเนี่ยมันมันนั่งเฉยๆเหมือนตื่นนอนอย่างเงี้ยตอนตอนสงบมันก็สั่งแต่ว่ารู้มันไม่คิดอะไร แล้วพอมันจะออก <c oughs> มันก็เริ่มคิดเนี่ยเริ่มรับรู้เรื่องร่างกายแล้วออร่างกายมาแล้วเสียงมาแล้วอะไรมาแล้วแล้วก็เริ่มคิดแล้วเริ่มอยากจะลุกแล้วเริ่มอยากจะทำอะไร <c oughs> แต่จะให้รูมันเหมือนกับมันเข้ามาแต่พอเราแต่พอเราจะดึงต่อไปมันก็มันก็ยังเข้าได้อีกใช่ไหมก็พุโทโธต่อไปใช่ดูลมต่อไปถ้าเรายังไม่อยากจะออกเราก็ดูลมต่อไปพุโทโธต่อไป <c oughs> ออนะเอารอบสอง ติดใจรอบแรกยังไม่พอยังไม่มันไม่พอครับเอาอีกรอบมันเหมือนวูบวูบกานต่อไปจากเฟซ e b o บุ๊กไลฟ์ครับอยากคุณบาสครับผมปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วเกิดความกลัวจึงกำหนดรู้ว่ากลัวด้วยการบริกรรมและและปักดูลมหายใจ ทำให้ความกลัวลดลงจึงคิดขึ้นมาว่ามนุษย์เรานี้จริงๆอยู่ด้วยความกลัวเพียงแค่หลับตาก็เพียงแค่หลัตกลตาก็ลืมตาก็คิดแตกต่างกันแล้วและมีอีกหลายความคิดเช่นเมื่อเกิดเวทนาปวดกำหนดรู้จนเวทนาปวดนั้นหายไปแต่เวทนาปวดเคลื่อนเปลี่ยนแ ต, แต่เวทนาปวดเคลื่อนเปลี่ยนที่ปวดทำให้คิดว่าเวทนาที่เกิดสอนให้รู้ว่า ปัญหาทุกปัญหาจะผ่านไปแต่ก็จะมีปัญญาใหม่มาทำให้เราต้องกำหนดรู้เวทนาปัญหานั้นอีกแบบนี้เป็นต้นถือเป็นการเกิดปัญญาจากการปฏิบัติใช่หรือไม่ครับพูดมายาวเลยไม่เข้าใจผ่านไปดีกว่าฟังไม่รู้เรื่องคือสรุปได้ไหมเราสรุปได้ไ สรุปไม่ลงคือต้ออ่านเจีมหรือไมานะฮะ อ, อ่านม่อีกทีหนึ่งเผหาผมปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วเกิดความกลัวจึงกำหนดรู้ว่ากลัวด้วยการบริกรรมและปรับดูลมหายใจทำให้ความกลัวลดลงจึงคิดขึ้นมาว่ามนุษย์เรานี่จริงๆอยู่ด้วยความกลัวเพียงแค่หลับตากับลืมตาก็คิดแ ต, ตกต่าง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 ถือเป็นการเกิดปัญญาจากการปฏิบัติใช่หรือไม่ครับมันก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งก็คือว่าในโลกนี้มันมีแต่ปัญหาแต่ตัวปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้เป็นปัญหาที่อยู่กับเรื่องเราต่างๆแต่อยู่ที่ใจเรานี่เรายังไม่มองเห็นปัญหาตัวจริงตัวจริงของปัญหาก็คือความอยากของเราที่จะไปแก้ปัญหาต่างๆอันนี้เรายังไม่ใช่เป็นปัญญา ถ้าเป็นปัญญามันจะต้องเห็นว่าเราทําไมต้องไปแก้มันทําไมมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันไปเดี๋ยพอเราอยากจะแก้แสดงว่าเรามีตันหาความอยาก dialog. อันนี้เราต้องหยุดความอยากแก้ปัญหาต่างๆยอมแล้วก็เป็นเรื่องปกติของโลกนี้ที่มันจะต้องมีปัญหาเช่นร่างกายนี่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายแก้ยังไงก็ไม่มีวันหายแก้ตรงจุดนี้เดี๋ยวมันก็แก้ปวดท้องเดี๋ยวมันก็ไปปวดหัว แลวปวดหัวไปปวดขามัน <würden> ก <ancia> ็ไปเรื่อยๆของมันงั้นคือถ้าแก้ด้วยความอยากไม่ถูกแต่ถ้าแก้ด้วยความไม่อยากก็ถูกคือแก้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าแก้แบบต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้แล้วเครียดอย่างนี้ก็ไม่ถูกวิธีแก้ก็แก้ถ้าแก้ด้วยปัญญาก็คือว่าถ้ายังแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ยิ่งเชิงเรียกว่าปัญญาปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ความอยากแก้มันแก้ในสิ่งที่แก้ไม่ได้ก็เลยเครียดอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงยังไม่เห็นส่วนที่เป็นปัญหาคือใจเราส่วนที่เป็นความความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของใจเรานี้มองไม่เห็นเห็นแต่ส่วนที่อยู่ข้างนอกเห็นปัญหาที่อยู่ที่ร่างกายเห็นว่าร่างกายมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ หรือความกลัวนี้เกิดจากความคิดของเรา <c oughs> พอเราไม่คิดมันก็หายกลัว <c oughs> แต่ความจริงความกลัวมันเกิดจากอะไรเรายังไม่รู้ความกลัวก็เคยจากจากความอยากไม่ไม่ตายนั่นเองอยากอยู่อยากปลอดภัยมันก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาเวลาไปอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยมันต้องมาแก้ตรงนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงปัญญาคือต้องเห็นว่า ปัญหาทั้งหมดความทุกข์ความไม่สบายใจของเราทั้งหมดเกิดจากความอยากของเรานี้เองแกตัวนี้ดีกว่าแกตัวนี้อย่าไปอยากไม่ตายอย่าไปอยากไม่เจ็บแล้วต่อไปมันจะไม่ ม, ไ ม, มันจะไม่กลัวอะไร <c oughs> ถ้ายังอยากไม่ตายยังอยากไม่เจ็บอยู่มันแกยังไงมันก็ยังหนีไม่พ้นมันก็จะเจออยู่นั่นมันยังทุกข์อยู่ต่อไปคำถามจากคุณต้องค่ะ แล้วอาจารย์คะทํากฎหมายความว่าอะไรคะกดก็ล่มไงลมที่พระใช้กลางแล้วเอามุ้งครอบอีกทีเี่ยเป็นบ้านของพระเวลาพระไปทุ่ดงเน่ยท่านมีบ้านท่านแบกบ้านติดตัวไปได้แบกกดมีกดแล้วก็มีมุ้งมุ้งนี้ก็จะครอบมันจะแขวนครอบลงมาห้อยลงมาเป็นเหมือนบ้านเนี่เป็นเหมือนเต็นเนี่ยคุยง่ายๆกฎนี้ก็เป็นหลังคาหลังคาเต็นนะ กดนี้จะด้ามด้ามกดนี้เขาจะถอดได้เป็นสองทอดเผื่อเวลาฝนตกก็ใช้กันฝนได้แต่เวลากลางกดนี้เขาจะถอดไอ้ด้ามออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชนหัวเวลานั่งสมาธิก็าจะมีมีที่ให้มันหมุนเชื่อมกันได้เป็นร่มเนี่ยแต่ร่มมีขนาดใหญ่ร่มขนาดใหญ่กว่าปกติ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้กางมุงได้เวลานอนมันจะได้เท้ามันจะได้เหยียดได้เต็มที่ ถ้าเป็นมุ้งเล็กๆเดี๋ยวมันจะแคบเวลาพ้ไปทุดดองนั่นท่านใช้นั่นเป็นที่อยู่อาศัยของท่านคาถามจากคุณพิยดาค่ะหนูชอบเป็นคนคิดลบค่ะและชอบคิดไม่ดีกับคนอื่นหนูขอคำชี้แนะและอาจารย์ช่วยหนูด้วยค่ะต้องทำยังไงคะก็เปลี่ยนความคิดใหม่สิก็คิดบวกบ้างก็ได้ถ่านนี่จะคิดลบก็หัดคิดบวก มองความดีของเขาอย่าไปมองความชั่วของเขาคนเราทุกคนมีทั้งดีทั้งเชื่ออยู่ในตัวของเขานั่นแหละพยายามค้นหาความดีของเขาดูความดีของเขาไปคำถามจากคุณสุพนัทค่ะนั่งสมาธิแล้วเหมือนจะตกเหวแล้วสะดุ้งเกิดความกลัวตลอดเลยลืมตาตลอดเลยจะก้าวผ่านอย่างไรครับ ก็ปลอยมันตกไปเสร็จจิตมันจะสงบไงมันจะตกเหวตกหลุมตกบอ่อพอไปถึงตรงนั้นกลัวมันก็เลยถอนออกมาเอนี่ย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรหรอกมันจิตมันจะรวมเข้าสู่ความสงบมันจะนิ่งมันต้องตกหลุมตกบ่อตกเหวคําถามจากคุณครูบาเอกค่ะโลกกับท่านนี่อยู่ในตัวเราใช่ไหมครับไม่ใช่ ตัวเรานี้ทํามาจากธาตุสี่ในน้ําลมไฟโลกที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยโลกกลมๆแบนี้เขาเรียกว่าโลกกระทาดเพราะว่ามันเป็นรำมาจากธาตุมันมีธาตุทั้งสี่เป็นองค์ประกอบขึ้นมาไม่ใช่หกไม่ไม่ใช่ธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งห้ามีอากาศสธาติอยู่ด้วยแล้วถ้ามีมนุษย์มีจิตมีสัตว์เลนฉานก็เป็นมีมีวิญญาณธาตุมีธาตุรู้เข้ามาร่วมด้วย แต่ถ้ารู้ไม่ได้อยู่ในในโลกธาตุ้าตุารู้อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกทิพย์แต่มาร่วมมาเชื่อมกันด้วยกระแสจิตกระแสของวิญญาณหมดแล้วเลยอีกคําถามนึงค่ะอคํถาถามจากคุณณพลค่ะคิดลบคืออะไรคิดบวกคืออะไรครับผมเองยังมองไม่ชัดเลยครับก็คิดในแง่ไม่ดีมองคนคนมองคนในแง่ไม่ดีแง่ร้าย อ, อย่างเงี้ยอะไรคิดลบมองคนในแง่ดีก็คิด คิดบวกแต่ความจริงไม่ควรจะคิดทั้งลบทั้งบวกควรจะคิดตามความเป็นจริงดีกว่าดูความเป็นจริงของเขาถ้าก็มีแต่ลบก็ต้องเห็นว่ามันลบคนชั่วจะไปเห็นว่ามันดียังไงมันก็ดีไม่ได้คนดีนี่จะไปมองว่าเขาชั่วยังไงก็เขาก็ไม่ชั่วอย่งนั้นให้คิดในทางความเป็นจริงกันละกันศึกษาก่อนที่เราจะมองใครเราต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไง ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเราก็อย่าเพิ่งไปสรุปว่าเขาดีหรือชั่วให้ให้ดูไปก่อนศึกษาไปก่อนอย่าเพิ่งไปสรุปหมดแล้วนะมีคำถามเลยค่ะโอเค <Okay. S 2> คำถามจากคุณด็อกค่ะการนั่งสมาธิฟังธรรมจากโซเชียลถือว่าเป็นการบำเพ็ญเพียรการฝึกจิตฝึกใจไหมครับใช่ก็เวลาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นการศึกษา เป็นการนั่งสมาธิไปจิตก็จะสงบนรือจิตก็จะได้ปัญญาขึ้นมาเอาแล้วนะอีกสอง อ, อีกสองบบออสวิตเซอร์แลนด์กับฮ่องกงครับไม่ซ้ำกันนะไม่ซ้ำครับเดี๋ยววันลังต้องจัดตามตัว อ, อักษรแล้วจะได้รู้ว่าเป็นเท่าไหร่2ี่สิบอะไรสิบเก้าลสิบเก้าลเพิ่งเข้ามาเลยครับเข้ามาได้สักประมาณสัก